รำลึกถึงที่หลวงพ่อเฉลีท่านอายุครบ67ปีท่านบําเพ็ญคุณงามความดีมามากพวกเราในฐานะศิษย์ลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมก็ถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสําหรับศิษย์พวกเราได้มากราบคารวะอโมยอวยพรให้ท่านมาแสดงความมูทิตาสักกะระมาแสดงความเคารพใน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 ทางพระเจ้าแผ่นดินนี่ท่านติด เ, เรื่องลาบเรื่องยศ เ, เรื่องครอบครัวโอยข้าพระองคบงง์บวชไม่ได้หรอกพระเจ้าค่าพระข้าพระองค์ติดครอบครัวติดลาบยศทุกอย่างข้าพระองค์บวชไม่ได้ใครเขาบอกงงเลยพ่อเพื่อนชักชวนให้บวชพระปเจกชักชวนให้บวชแต่พระ่อะเจกไม่ไม่ไม่ลดละความอุตสาหะนย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 เพื่อนของท่านพ่อเรียนจบจากทิสสะปาโมกอาจารย์แล้วท่านยังไปเรียนภาษาศาสตร์เียนลสาสาสและปศาสตร์ละกศาสน า, าในในยุคนั้นสมัยนั้นนี่แหละคือการศึกษาไม่มีที่สิ้นจุดพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติพยายามสังสมคุณงามความดีพยายามศึกษา